ว่าในเรื่องปัจจยาการสิบเอ็ดหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่าปฏิจจสมุปบาทสภาวะธรรมอย่างหนึ่งอันเป็นปัจจัยให้เกิดสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าปัจจัาการสภาพอันอาศัยเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหมายความว่าอาศัยกันเกิดขึ้น อาศัยกันเกิดขึ้นคือเรียกว่าต่างอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทโดยใจความก็เป็นอันเดียวกันและท่านได้จาแนกปัจยาการหรือปฏิจจสมุปบาทออกเป็นสองภาคคือภาคที่หนึ่งเรียกว่าสมุทัยวานสมุทัยวานก็ได้แก่ภาคเกิด เป็นภาคที่แสดงความเกิดและอีกภาคหนึ่งเรียกว่านิโรธวารเรียกว่าภาคดับนี้ภาคเกิดนี้ก็จำแนกออกเป็นส1เอ็ดประการคืนหนึ่งเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยมีวิญญาณ สเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยมีนามรูปสี่เพราะนามรูปเป็นปัจจัยมีสลายตนะห้าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยมีผัสสะหกเพราะผัสสะเป็นปัจจัยมีเวทนาเจดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยมีตัณหา 8. ปดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยมีอุปาทานเก้าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยมีภพ สิเพราะพบเป็นปัจจัยมีชาติสิบเอ็ดเพราะชาติเป็นปัจจัยมีชรามรณะโสกะสริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะเป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้สาวหาผลข้างหน้าออกไปโดยลำดับอย่างนี้เรียกว่าอนุโลมคือว่าไปโดยลำดับ อาการคือหมายถึงว่าอาการคือองค์อันเป็นปัจจัยท่านกล่าวไว้เพียงสิบเอ็ดแต่ท่านนับชรามรณะอันเป็นผลขาดตอนเข้าด้วยจึงกล่าวว่าปฏิยาการสิบสองปฏิยาการสิบสองอวิชา อวิชาท่านแก้ว่าได้แก่อวิชาแปดสังขารได้แก่อภิสังขารสามวิญญาณได้แก่วิญญาณหกนามรูปได้แก่อุปาทินะสังขารหรือโดยสมมุติก็ได้แก่อัตภาพทั้งหมดสลายตนะก็ได้แก่อายตนะหก ขจระเวทนาตันหาวปาทานทั้งสี่นี้ก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหมวดต้นๆพบก็ได้แก่การปฏิสนธิตั้งแสชาติไปจนแจ่มแจ้งทีนี้ก็มีอีกในหนึ่งนอีกในหนึ่งก็คือชารามรณะเป็นต้นมีเพราะชาติสอง ธาตุมีเพราะพบ4อุปาทานมีเพราะตัณหา5ตัณหามีเพราะเวทนา6เวทนามีเพราะผัจจะ7ผัจสมีเพราะสลายยตนะ8สลายยตนะมีเพราะนามารูป 9. ้านามรูปมีพระวิญญาณสิบวิญญาณมีพระสังขารสิบเอ็ดสังขารมีพระอวิชชาในแรกนั้นสาวออกไปหาผลข้างหน้าเรียกว่าอนุโลมในหลังนี้สาวทวนเข้าไปหาเหตุเบื้องหลัง เรียกเรียกว่าปฏิโลมที่แสดงมาทั้งหมดนี้เป็นภาคหนึ่งนะเป็นภาคหนึ่งเรียกว่าสมุทัยาวานสมุทัยาวานก็คืออ่าภาคเกิดนะอีกภาคหนึ่งซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้เป็นภาคที่สองและมีอนุโลมกับปฏิโลมอ่าเช่นเดียวกันอ่กับที่กล่าวมาแล้วเรียกว่านิโรธวานนิโรธวานก็ได้แก่ภาคดับ ได้แก่ภาคดับรวมทั้งภาคหนึ Aladdin, plan, 2, <The> ่งภาคสองนั้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทภาคสองท่านไดแสดงไว้ว่าหนึ่งเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับสองเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับสามเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเ เพราะนำมารูปดับสลายชนะจึงดับห้าเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับหกเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเจ็ดเพราะเวทนาดับสันหะจึงดับแปดเพราะสันหาดับอุปทานจึงดับเก้าเพราะอุปทานดับภพจึงดับสิบเพราะภพดับชาติจึงดับสิบเอ็ดเพราะชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวะโทมนัสอุปายาสะจึงดับ เป็นอันว่ากองทุกทั้งบวงดับลงโดยในนี้อย่างนี้เรียกว่าอนุโลมเพราะสาวไปหาผลข้างหน้าอีกในหนึ่งท่านแสดงว่าหนึ่งชรามรณะเป็นต้นดับเพราะชาติดับสองชาติดับเพราะภพดับสามภพดับเพราะอุปาทานดับสอุปาทานดับเพราะตัณหาดับห้าตัณหาดับ เพราะเวทนาดับหกเวทนาดับเพราะพัทธะดับเจ็ดพัทธะดับเพราะสลายชนะดับแปดสลายชนะดับเพราะนามารูปดับเก้านามารูปดับเพราะวิญญาณดับสิบวิญญาณดับเพราะสังขารดับสิบเอ็ดสังขารดับเพราะอวิชชาดับอย่างนี้เรียกว่าปฏิโลมเพราะสาวทวนเข้าไปหาเหตุเบื้องหลัง อันนี้ถ้าอยากล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือปัจยาการนี้ก็มีเรื่องที่จะพูดนิดหน่อยก็คือว่ า, าเมื่อพระพูทมีประภาคัสสรู้ใหม่ๆได้ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้แล้วทรงเปล่งอุทานวาจาว่า ยะ า, าหเวปาตุภวันติธรรมมาอาตาปิโนชายโตพรหมนัสสะอาทัศกังขาวัปยันติสัภะยะโตประชานาติเตเหตุตุธรรมังเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งฟวงของพราม์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมกับเหตุ เ, เพราะมารู้ธรรมพร้อมกับเหตุ ยะาท า, าเวปาตุพวัติธรรมมาอาตาปิโนชยโตพระมนัสสะอทัตสะกังขาวะปยันติยะโตขยังปัจญานาังอเวทิเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัย และในบทที่สามว่ายาทาหาเวปาตุพวันติธรร ม, มาอาตาปิโนชยโตพรมามณะวิทูปยังติทติมาราเสนังสุโรวโอภาจยมันตลิกขังแปลว่าเมื่อใดทมทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้ รุ่งเรืองผ่องใสยอยู่ปานันหนึ่งพระอาทิตย์ส่องท้องฟ้าให้สว่างอยู่ฉะนั้นปัจจยาการแปลตามสัมว่าอาการที่ปัจจัยต่อกันและปฏิจจสมุปบาทแปลว่าทมที่เกิดเพราะอาศัยอาศงกันและกันโดยใจความก็เป็นอันเดียวกันนั่นเองปัจจยาการสิบสองนี้ ท่านจัดเป็นสี่อย่างคือจัดเป็นไตรวัตหมายถึงอวัตตะสามอย่างหนึ่งจัดโดยเหตุผลอย่างหนึ่งจัดเป็นสังเขปคือโดยย่ออย่างหนึ่งจัดเป็นสนธิอย่างหนึ่งอจะกล่าวตามหลักวิชาให้ฟังก่อนคือแล้วจึงค่อยศึกษาลักษณะต่อไปที่จัดปัจจยาการเป็นไตรวัตนั้นดังนี้คือหนึ่งอวิชชาตันหาวปาทานเป็นกิเลสวัต สองสังขารเป็นกรรมวัติสามวิญญาณ น, นามรูปอายตนะพัฏะเวทนาภพชาติการามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสเป็นวิปากวัตรอ่าเป็นวิปากวัติตหมายถึงว่าวนคือวิบากคือผลผลแห่งการกระทำกรรมอันนี้ถ้าจอธิบายก็คือว่า อวัตตะทั้งสามนี้เป็นเป็นภวะพบหมุนอยู่ในในภพสังสาระจักรหมุนอยู่ในสังสารเมื่อกิเลสมีก็เป็นเหตุให้ทํากรรมกรรมก็อํานวยผลให้แต่นั้นความชอบความไม่ชอบในผลก็เป็นเหตุให้ทํากรรมอีกวนเวียนกันไปนี่เป็นปฏิยาการโดยเหตุผลนั้นก็คือจัดเป็นหมวดหมวดที่สี่หมวดคือหนึ่งอดีตเหตุสองปัจจุบันผลสามปัจจุบันเหตุ สีอนาคตผลอนาคตผล อ, ผลอดีตเหตุก็ได้แก่อวิชาและสังขารปัจจุบันผลก็ได้แก่วิญญาณ น, นามรูปอสลายตนะทน า, าปัจจุบันเหตุก็ได้แก่ตัณหาอุปาทานอนาคตผลก็ได้แก่ชาติชาราวรณะกับปกิณกทุกที่อื่นก็เนื่องด้วยชาติาเกี่ยวกับเรื่องอดีตเหตุก็ นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังโปรดเข้าใจว่าคือหมายถึงว่าตัววิชาและก็ตัวสังขารเนี่ยมันเป็นตัวอดีตเป็นตัวส่งผลที่ทำให้เราต้องเกิดมีเอเป็นเราขึ้นเนเกิดมีขึ้นทีนี้ตัวที่ทําความรู้สึกให้ในปัจจุบันเป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากวิชาก็คือตัววิญญาณ น, นำมารูปสลายตนะผัสสะเวทนานี่แหละมันเกิดขึ้นในปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ แล้วก็ปัจจุบันเหตุที่เป็นเหตุที่จะส่งไปถึงอนาคตผลก็คือตัวตันหากับอุปาทานนตัวตันหาอุปาทานออนาคตผลก็ได้แก่ชาติชาราวรณะกับปกิณกะนี่แหละเป็นเรียกว่าทุกอื่นอันเนื่องด้วยชาติที่จัดเป็นสังเขปหรือว่าโดยย่อคืออดีตเหตุ คืออดีตเหตุเป็นต้นนั้นจัดเป็นจัดเป็นสังเกตหรือว่าโดยย่อก็สงเคราะห์แต่ละอย่างเขา้าโดยการเป็นสามาเป็นสามอดีตเป็นสามคือหนึ่งอดีตอัตตาอดีตอัตตาคือการข้างหลังสองปัจจุบันอัตตาการยังเป็นอยู่สามอนาคตอัตาการข้างหน้า คำว่าอัฏฐาหมายถึงการนะหมายถึงการอดีตอัฏฐาก็หมายถึงว่าอาอดีตการที่แล้วมานะหมายถึงว่าอดีตที่แล้วมาปัจจุบันก็หมายถึงว่าการที่กําลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อนาคตอัฏฐาก็หมายถึงว่าการข้างหน้า lifted. ที่จัดสนธินั้นคือจัดเป็นสนธิในคําว่าสนธินี่หมายถึงว่าเงื่อนต่อนะสนธินี่หมายถึงว่าเงื่อนต่อก็มีอยู่สาม มีอยู่สามเหมือนกันคือหนึ่งเงื่อนในระหว่างอดีตเหตุกับปัจจุบันผลเป็นสนธิหนึ่งเรียกว่าเหตุผลสนธิแปลว่าต่อเหตุเข้ากับผลสองเงื่อนในระหว่างปัจจุบันผลและปัจจุบันเหตุเป็นสนธิหนึ่งเรียกว่าผลเหตุสนธิแปลว่าต่อผลเข้ากับเหตุสามเงื่อนในระหว่างปัจจุบัน ปัจจุบันเหตุกับอนาคตผลเป็นสนธิหนึ่งเ ouais. รียกว่าเหตุผลสนธิแปลว่าต่อเหตุกับผลต่อเหตุกับผลสาเงื่อนในระหว่างปัจจุบันเหตุกับอนาคตผลเป็นสนธิหนึ่งเรียกว่าเหตุผลสนธิแปลว่าต่อเหตุกับผลต่อไป น, นี้จะกล่าวลักษณะแห่งธรรมเหล่านี้แต่ละข้อ ที่บอกว่าอาวิชชาอาวิชชาได้แก่อวิชชาคือความไม่รู้แปประการคือหนึ่งไม่รู้ทุกสองไม่รู้เหตุให้เกิดทุกสามไม่รู้จักความดับทุกสี่ไม่รู้จักผนทางให้ถึงความดับทุกห้าไม่รู้จักอดีตหกไม่รู้จักอนาคตเจ็ดไม่รู้จักอดีตทั้งอนาคตแปดไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท น, นี้ที่ว่าสังขาร น, นะคําว่าสังขารที่ว่า อวิชาปัจยาสังขาราสังขาราปัจยาสังขารก็ได้แก่อภิสังขารอภิสังขารสามนะครับคือสภาพที่ตกแต่งคือหนึ่งปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบุญสองอภุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบาปสามอเนญชาภิสังขารอภิสังขารคืออเนญชาอเนญชาแปลว่าความไม่หวั่นไหวได้แก่ความหมันหรือธรรมชาติหาความหวั่นไหวไม่ได้ ได้แก่มันหรือว่าแสดงภูมิธรรมเพียงชั้นสมาบัติก็มีถึงโลกุตระก็มีในที่นี้ท่านแก้ว่าได้แก่อารูปอารูปสมบัติสี่ออารูปสมบัติสี่แล้วก็สงเคราะห์อารูปสมบัติอารูปสมาบัตินะนะอ่ารูปสมาบัติได้แก่อรูปสมาบัติสี่ท่านสงเคราะห์เข้าสงเคราะห์อารูปสมาบัติเข้าในปุญญาภิสังขารเหมือนบุญอันเป็นกามาพระจร นะเหมือนบุญอันเป็นกรรมมาผจรทีนี้ก็มาทำความเข้าใจกับคำ ว, ว่าสังขารสังขารแปลว่าสภาพอันปัจจัยปรงแต่งได้แก่สิ่งที่มีเหตุสร้างสารรค์ขึ้นเช่นร่างกายคนเรือนเป็นต้นนี่ก็เป็นสังขารส่วนผลสังขารถ้าแปลว่าสภาพนะ เป็นส่วนผลสังขารถ้าแปลว่าสภาพปรุงแต่งหรือว่าผู้สร้างสรรค์ได้แก่กรรมอันจําแนกจัดให้เป็นต่างๆกันอเป็นต่างๆกันทีนี้มาในข้อวิญญาณก็ได้แก่วิญญาณหกวิญญาณหกก็ได้แก่ความรู้สึกทางตาสองความรู้สึกทางหูสามความรู้สึกทางจมูกสี่ความรู้สึกทางลิ้นห้าความรู้สึกทางกายหกความรู้สึกทางใจรวมเรียกว่า วิถีวิญญาณนอกจากนี้ยังได้แก่ปฏิสนธิวิญญาณคือความรู้สึกอันผู้ครองแสดงออกมาข่าวแรกคือเกิดขึ้นทีแรกออันนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงนิพน์ไว้ว่าถ้าจํากัดลงเพียงปฏิสนธิวิญญาณความก็จะจับแจมแจ้งขึ้นทีนี้น า, ม, ม, า, า, นา ม, มารูปก็ได้แก่ ได้แก่นามคืออาการทั้งสี่ของผู้ครองสริระคือวิญญาณเบทนาสัญญาสังขารและรูปก็คือมหาภูจะ ร, รูปหนึ่งอุปาทายรูปหนึ่งสลายตนะก็ได้แก่อาจนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งทั้งหกนี้ได้ชื่อว่าอาตนะก็เพราะเป็นที่ต่อของอารมณ์ภายนอกทัศก็ได้แก่อาการที่ถูกต้องคือความมาประจวบ ก, กันแห่งสิ่งทั้งสามคือ หนึ่งอายจนะภายในสองอายจนะภายนอกสามวิญญาณความรู้สึกถ้าไม่ครบทั้งสามสิ่งนี้ก็ไม่เรียกว่าผัสสะเช่นก้อนอิฐกระทบะกันเรียกว่าผัสสะเพราะก้อนอิฐนั้นไม่มีวิญญาณเวทนาก็ได้แก่กิยาที่เสวยอารมณ์เป็นอาการที่ที่รู้ที่รู้รู้เหตุสามอย่างคือรู้สุก อารู้ว่าทุกข์รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยเฉยนี่เป็นลักษณะของเวทนาตัวแสวงหาอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่ตัณหาก็ได้แก่ความทะเยอทะยานดิ้นรนด้วยอํานาจความอยากก็มีสามประการก็คือกามตัณหาหนึ่งภาวะหนึ่งกามตัณหาสองภาวะตัณหาสามวิภวะตัณหาอุปาทานก็ได้แก่ความยึดถือตามอํานาจของตัณหา ตามอำนาจของตัณหาพบก็ได้แก่ความมีความเป็นซึ่งเป็นภูมิชั้นเป็นไปตามความยึดถือนั้นๆเท่าที่กล่าวมานี้ก็พอเป็นลักษณ ะ, ะแห่งธรรมเหล่านี้ได้บ้างและนี่ก็เป็นเรื่องของปัจจยายการเป็นเรื่องของปัจจัการก็คิดว่าพอจะเป็นแนวทางให้นักเรียนนักศึกษา ได้ทําความเข้าใจอเป็นเพียงย่อๆนะเป็นเพียงย่อๆอโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ขอย้อนไปพูดอีกนิดหน่อยว่าอที่บอกว่าที่บอกว่าเพราะอะเพราะพบก็ทําให้มีชาตินะนเพราะพบก็ทําให้มีชาติพบก็ได้แก่ความมีความเป็นอทําให้มีชาติคือความเกิดเพราะชาติอเพราะ เพราะมีเกิดก็จึงทำให้มีแก่นะชราวรณะโศกการิเทวสุขะโทมนาตุปายาสาน่ะเพราะมีการเกิดก็จึงมีการแก่การตายแล้วก็มีความเศร้าโศกมีความขรําครวนมีความทุกข์กายทุกข์ใจมีความเสียใจมีความตรอมใจนะอุปายาสนี่มีความตรอมใจเนี่ยอันนี้เราเห็นว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ชัดนะชัดแจ่มแจ้งนะชัดแจ่มแจ้งฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่อง ปัจยาการสิบเอ็ดหรือปฏิจจสมุปาสิบสองนี้ก็คิดว่ า, านักเรียนนักศึกษาเรก็พอจะทำความเข้าใจาได้บ้างแต่ถือว่าอันนี้เป็นของยากนะเป็นของลึกซึ้งที่ได้พูดมาทั้งหมดนั้นก็พูดทั้งโดยเรียกว่าประยัดและปฏิบัติควบคู่กันไปแล้วก็ได้เอาหลักในอภิธรรมมากล่าวด้วยถ้าหากว่าเรายัง มีภูมิรู้ทางนี้น้อยก็อาจจะยังไข้เขวอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่พูดโดยละเอียดนักไม่พูดโดยละเอียดนักก็เกรงว่าจะสร้างความยุ่งยากหรือบางทีก็เกินภูมิฐานะของนักรมชั้นโทไปก็จะทําให้เกิดความฟั่นเฟือหรือเกิดความเข้าใจยากได้ฉะนั้นที่พูดมันนั้นก็พอพอเป็นแนวทางนะพอเป็นแนวทางที่จะให้นักเรียนนักศึกษาพอจะจับเอาไป จะประกอบในการเรียนการศึกษาได้ทีนี้ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าตากรทุกทั้งปวงเกิดขึ้นโดยอาการอย่างไรปัจจยาการสิบเอ็ดอะไรเป็นมูลอย่างแท้จริงอันนี้เราก็แก่ว่าเกิดขึ้นได้ด้วยชาราความแก่พยาธิความเจ็บปวดป่วยไขย่มรณะความตายโสกความเศร้าโศกปริเทวะความ ข่ำควร น, นั่มไรทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจโทมนัสความเสียใจอุปายาสักความแห้งแล้งตรอมใจชราเป็นต้นมีเพราะชาติอ่า อ, ا, อา่าชราเป็นต้นมีเพราะชาติเนีเพราะเกิดนั้นจึงมีชาราเพราะเกิดจึงมีความแก่ชาติมีเพราะพบาชาติมีเพราะพบเพราะไอความ เพราะความมีความเป็นนั่นแหละจึงทําให้ให้ให้ให้เกิดขึ้นมาอีกนะไอตัวมีตัวเป็นนี่จึงทาให้เกิดขึ้นมาอีกนี่มันเป็นลําดับไปนะมันเป็นลําดับไปในทํานองนี้จนกระทั่งย้อนไปถึงว่าสังขารมีก็เพราะอาวิชชานะเนี่ยที่เรามีสังขารขึ้นมาได้เพราะไอตัวโง่จึงทำให้เราต้องเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่มีตัวอวิชชาหรือว่ามีแต่วิชาเราก็จะไม่เกิดขึ้นนะจะไม่เกิดขึ้นฉะนั้น นี่เนี่ยตัววิชาจึงเป็นเบื้องแรกเป็นมูลเขาที่ทําให้เราต้องมีสังขารต้องเกิดขึ้นมานะหรือถ้าจะมีคาถามว่าปฏิจจสมุปบาทหมายความว่าอย่างไรและรวมอะไรเข้าจึงเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอันนี้เราก็แก้ว่าหมายความว่าสภาพอันอาศัยกันเกิดขึ้นรวมสมุทัยาวานหมายถึงว่าภาคเกิด และนิโรธวานเข้าด้วยกันคือภาคดับจึงเรียกว่าประสิทธิสมุปบาทนะระวังยังลงคําว่าสมุทัยวานหมายถึงว่าสับภาคเกิดอแล้วก็นิโรธวานก็คือภาคดับนี่ภาคดับภาคเกิดก็จะหมาว่าอาวิชาเพราะมีวิชาอจึงมีสังขารเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเนี่ยมันเรียกว่าเนียเป็นภาคเกิดหรือว่าท้าจะมีคําถามว่า ปฏิจจสมุปบาทในชั้นแรกมีเพียงสิบเอ็ดเท่านั้นท่านนับอะไรเข้าจึง เ, เป็นสิบสองอันนี้เราก็แก้ว่านับชารามารณะและโสกะปริเทวทุกขะเป็นต้นอันเป็นผลขาดตอนเข้าอีกจึงเป็นปฏิจจสมุปบาท1ิบสองหรือถ้ายังมีคําถามว่าอะไรบ้างในปฏิจจสมุปบาท เป็นอดีตเหตุเป็นปัจจุบันผลเป็นปัจจุบันเหตุเป็นอนาคตผลอันนี้เราก็แก่ว่าอาวิชาสังขารเป็นอดีตเหตุนะเป็นอดีตเหตุหมายถึงเป็นเหตุที่ล่วงมาแล้วนะที่มันมันทําให้เราต้องเกิดมานี่ยนี่คือเป็นอดีตเหตุคือตัวอวิชาไอตัวโง่เนี่ยมัน ม, มันเรื่องมาตั้งนานแล้วนะมันแล้มาแล้วตัววิชาตัวสังขาร แล้วตัววิญญาณ น, นามรูปนามรูปสลายตนะถัด ส, สะเวทนานี่เป็นปัจจุบันผลคือเป็นผลอที่อันเนื่องมาจากตัวอวิชชาสังขาร น, นะแต่ว่ามาอยู่ในปัจจุบันนี้ในขณะนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยที่เรามีความรู้สึกอมีความรู้สึกเนี่ยในขันห้าในรูปในนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรืออาณาหกตัวผัด ส, สะการสัมผัสกันทางตาหูจมูกนิ้นกายใจแล้วก็เกิด อาเวทนาตัวสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อชอบใจไม่ชอบใจเฉยเฉยนี่เนี่ยอันนี้แหละถือว่าเป็นเป็นปัจจุบันผลตัวตัณหาอุปาทานนตัวตัณหาความทยามอยากอุปาทานความยึดมั่นตามตัณหานั้นและกรรมพพเป็นปัจจุบันเหตุเป็นเหตุในปัจจุบันที่จะส่งผลไปในอนาคตข้างหน้า ทุกทั้งหลายมีชาติเป็นต้นเป็นอนาคตผลนะทุกทั้งหลายมีชาติเป็นต้นเป็นอนาคตผลหรือถ้าจะถามว่าปัจจาการสิบเอ็ดท่านเทียบกันไว้อย่างไรแล้วบอกด้วยว่าเหตุไรจึงเทียบอย่างนั้นอันนี้เราก็แก้ว่าเทียบกันไว้อย่างนี้คืออวิชาเทียบกันได้กับตัณหาและอุปาทานโดยฐานเป็นปัจจัยแห่งกรรมด้วยกัน สังขารเทียบกันได้กับกรรมพบโดยฐานเป็นกรรมด้วยกันวิญญาณเทียบกันได้กับอุปติพบโดยฐานเป็นปฏิสนธิด้วยกันคาว่าอุปติพบหมายถึงว่าพบอันที่เกิดขึ้นนะที่เกิดขึ้นนามรูปสลายยตนะผัสสะและเวทนาเทียบกันได้กับชาติ โดยฐานที่เป็นชาติด้วยกันเนีโดยฐานที่เป็นชาติด้วยกันฉะนั้นก็คิดว่านักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอจะจับเอาเป็นแนวทางได้ตั้งแต่ข้อต้น <c oughs> ที่บอกว่าอวิชานั้นขอให้รู้ไว้ว่าในคำพีวิสุทธิมัติท่านได้อธิบายว่าตัววิชาคือตัวโมหะ เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือกุศลจิตสังขารนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปิสุทธิวิญญาณนั้นปิสุทธิวิญญาณอ่าทีนี้ก็วิญญาณนั่นก็เป็นอสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปิสุทธิวิญญาณนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดรูปธรรมนามธรรมนามรูปนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดทัศน์มีจักขุสัมผัสเป็นต้น พัฒนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอสุขเวทนาทุกขเวทนาโธมนัตเวทนาโธมโสมานัตเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนานั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหานั้นเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือตัณหาอันกล้ามีกําลังอุปาทานนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดอกรรมพบนะกรรมพบและอุปาติพบพบนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติ ชาตินั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสนี่สรุปก็คือว่ า, าความเศร้าหมองทั้งปวงย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ประกอบด้วยอวิชชาอาวิชชานุสัยยังนอนเนื่องอยู่ในสันดานตราบใดทุกทั้งพวงมีโสกะเป็นต้นก็ยังมีอยู่ตราบนั้นเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องปฏิยาการสิบเอ็ดหรือสมุปปฏิจจสมุปบาทสิบสองก็พอสมควรกับเวลา ในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอจเจริญพรวันนี้จะพูดในหมวดที่สิบสองว่าด้วยเรื่องกรรมสิบสองคำว่ากรรมคนเราโดยมากเข้าใจไปในทางที่ไม่ดี หากว่าอะไรมันไม่ดีก็มักจะบอกว่ามันเป็นกรรมของเราถ้าเกิดขึ้นกับผู้อื่นก็บอกว่ามันเป็นกรรมของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องดีเรื่องงามขึ้นมาก็เราไม่เรียกว่ากรรมอีกเรามักจะพูดว่ามันเป็นโชคของเขามันเป็นวาสนาของเราเป็นโชคของเราคือเราไปเข้าใจกรรมว่ามันเป็นเป็นตัวหายนะเป็นตัวเสื่อมเสียเป็นฝ่ายลบ แต่จริงๆแล้วคําว่ากรรมเนี่ยเป็นคํากลางๆนะยังไม่ดีไม่ชั่วนะยังไม่ดีไม่ชั่วแต่คําว่ากรรมเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายดีก็เรียกว่าเป็นกุศ ล, ลกรรมถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็เรียกว่าอกุศ ล, ลกรรมดันั้นคําว่ากรรมเนี่ยแปลว่าการกระรทําคือทําด้วยกายด้วยวาจาและใจเป็นได้ทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลท่านจัดไว้เป็นหมวดๆ ม, มีสามหมวดหมวดละสี่ข้อ แล้วก็ให้ผลต่างๆกันดังจะกล่าวต่อไปในหมวดที่หนึ่งกรรมให้ผลตามคราวคือว่าโดยการของกรรมที่จะอำนวยผลกรรมให้ผลตามขราวอันนี้หมายความว่าตามการของกรรมที่จะอำนวยผลให้แยกออกเป็นสี่ขึ้นหนึ่งทิฏฐ ธ, ธรรมเวทนียกรรมกรรมให้ผลในภพนี้ นะกรรมให้ผลในภพนี้ใอ้คำว่ากรรมให้ผลในภพนี้หรืออุปปัชเวรรเวทนิยกรรมอปราประเวทนียกรรมอโหสิกรรมทั้งสีอย่างนี้เรียกว่ากรรมให้ผลตามคราวนะตามคราวในข้อแรกที่บอกว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมแปลว่ากรรมให้ผลในภพนี้อันนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ได้อธิบายไว้ในหนังสือธรรมวิภาคปริเชษที่สองว่ากรรมกรรมที่หนึ่งท่านว่าเป็นกรรมอย่างแรงนะเป็นกรรมแรงซึ่งให้ผลทันตาเห็นผู้ใดได้เสวยผลในอัตภาพนี้เอเสวยผู้ใดได้ทําก็ย่อมจะเสวยผลและได้รับผลแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนี้นะแต่เมื่อผู้ทํามรณะไปเสียก่อนถึงคราวให้ผล อถึงคราวให้ผลย่อมเป็นอโาหสาิกรรมคือหมายถึงว่าหมดกันไปนให้ผลไม่ทันกลายเป็นอโหสิกรรมไปแล้วก็อาทิตรธรรมเวทนิยกรรมเป็นกรรแรงให้ผลทันตาเห็นในในบางแห่งท่านก็กล่าวว่าอาทิตรธรรมเวทนิยกรรมนี้แยกเป็นสองสถานคือให้ผลภายในเจ็ดวันเรียกว่าปริสตตะอาทิตรธรรมเวทนิยกรรม สองให้ผลช้ากว่าข้อต้นนะช้ากว่าเจ็ดวันก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นเดือนเป็นปีหรืออาจจะนในภพนี้ชาตินี้อแต่กําหนดให้ผลในชาตินี้ที่จะกระทำนั่นเองเรียกว่าทิฏธรรมเวทนิยกรรมอาทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมนี้เป็นทั้งกุศลส่วนดีก็มีทั้งอกุศลส่วนชั่วก็มีอที่กล่าวว่าทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมให้ผล ในชาติทันตาเห็นก็คือทำในชาติใดก็ให้ผลในชาตินั้นท่านอุ ป, ปมาเหมือนกับในพรานเนื้อเข้าป่าล่าเนื้อเมื่อพบเนื้อแล้วก็กกงธนูยิงไปทันทีด้วยหมายใจว่าจะให้ถูกเมื่อยิงไปแล้วถ้าลูกธนูถูกเนื้อล้มลงเขาก็ได้เนื้อสมประสงค์จัดการแล่เนื้อและนําไปยังบ้านเรือนปิ้งหรือต้มแกงกินได้แต่ถ้าลูกธนูไม่ถูกเนื้อเนื้อก็หนีไป นะไม่หวนกลับมาให้ยิงอีกโดยอุปมานี้ก็ทำให้เรารู้ได้ว่าถ้าไม่ให้ผลในชาตินี้ก็เป็นอันแล้วกันไปนอันแล้วกันไปที่ท่านกล่าวว่าเป็นอโหสิกรรมก็อย่างนี้นั่นเองนะอย่างนี้ทีนี้ก็มาในข้อสอง ข้อสองก็คืออุ ป, ปัชเวทนียกกรรมกรรมให้พศให้ผลต่อเมื่อเกิดแล้วในภพหน้านะกรรมให้ผลต่อเมื่อเกิดแล้วในภพหน้าอันนี้ก็หมายความว่าเป็นกรรมเป็นกรรมที่เบากว่าทิฏฐธรรมเวทนียกกรรมคือจักให้ผลต่อเมื่อผู้ทําเกิดแล้วในภพในภพหน้าเป็นลําดับคือพ้น พ้จากพบนี้ไปแล้วก็พ้นจากพพนั้นไปแล้วก็เป็นอโหสิกรรมอุปัชเวทนียกรรมนี่ก็แบ่งออกเป็นสองนะคืออุปัชเวทนียกรรมฝ่ายกุศลและอุปัชเวทนียกรรมฝ่ายอากุศลอันนี้ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอุปัชเวทนียกรรมนั้นได้แก่เจตนาเป็นคำรบที่เจ็ดให้สําเร็จ อซึ่งประโยชน์อให้สําเร็จประโยชน์บุคคลกระทําซึ่งกุศลและกุศลก็ดีอด้วยเจตนาประกอบไปในชวนะจิตในคำรบที่เจ็ดเจตนานั่นแหละให้สําเร็จซึ่งผลในอัตภาพในพบในลำดับอ แ, แ, แต่พบเป็นปัจจุบันนั้นนหมายถึงว่าในลำดับแต่พบในลำดับแต่พบเป็นปัจจุบันนั้น อุปัจเวทนียกกรรมนั้นย่อมให้ผลในชาติอันเป็นลำดับคือในให้ในชาติหน้าเป็นคำลบที่สองรองจา ก, จากปัจจุบันเนี่รองจากปัจจุบันที่นี่มาในข้อที่สามอราประเวทนียกกรรมหมายถึงว่ากรรมให้ผลในพบสืบไปเนยกรรมให้ผลในพบสืบไป อันนี้ก็หมายความว่ากรรมที่สามน ะ, ะที่สามนี้เกี่ยวกับเรื่องปราราปราระเวทนิยกรรมนี้ก็เบาเบาลงมาอีกนะเบา ก, ากว่ากรรมที่หนึ่งเบากว่า ก, ากรรมที่สองจักอาจให้ผลอต่อเมื่อพ้นพบหน้าแล้วนะถ้าได้โอกาสเมื่อใดย่อมให้ผลเมื่อนั้นนะย่อมให้ผลเมื่อนั้นถ้าหากว่า พ้นจากนั้นไปก็เป็นอโหสิกรรมท่านเปรียบไว้เหมือนกับสุนัขไล่เนื้อไล่ตามทัน เ, เข้าในที่ใดก็ย่อมกัดในที่นั้นนย่อมกัดในที่นั้นคือหมายความว่ากรรมอันใดอันบุคคลกระทําแล้วได้เสวยผลในการเบื้องหน้าและอในการเบื้องหน้าอาจะได้กําหนดในการที่จะให้ผลในชาติหน้าอานั่นนะ พบนั้นนั้นหามีได้ได้แก่เจตนาอันอเป็นไปในคำลบที่ห้าท่านาในถามกลางแห่งชาวนะเจตนาที่สองแห่งกรรมนั้นชื่อว่าอัประรราอปรอประ ร, ะประเวทนียศกรรมนะอันนี้ก็ผู้ฟังอาจจะรู้สึกง ง, งเพราะว่ามันเป็นหลักอภิธรรมนะ ก, ก็ฟังฟังต่อไปอาจจะเข้าใจยิ่งขึ้น อปราประเวทนยกรรมนี้ไม่รู้จักเป็นอโหติกรรมเลยเนยะถ้ายังไม่ได้พระอรหัตมัก ต, ตัดสังตัดสังสารวัตรยังไม่ขาดตรบดับใดอปราปรเวทนิยกรรมก็ติดตามไปตรับนั้นไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ชาติอในอกมีโอกาสเมื่อใดก็ให้ผลเมื่อนั้นอุปมาดังสุนัขไล่เนื้อที่ในพานปล่อยให้ไล่เนื้อมันย่อมจะเล่นแล้วก็ สกัดขวาสกัดหน้าสกัดหลังติดตามไปเมื่อทันเข้าเมื่อใดก็กัดเมื่อนั้นจะละอละเนื้อนั้นเสียไม่ได้ช้าไม่ว่านานไม่ว่านะสุนัขอุตสาหติดตามไปทันเนื้อแล้วก็กัดฟัดไม่ให้ให้ถึงแก่ความตายอปราพระเวทนียกรรมก็ติดตามสัตว์ไปทุกๆกแห่งผลฉันใดก็ฉันนั้นจัดทั้งปวงที่หลบลี้หนีให้พ้นเป็นอันไม่มี อปาราประเวทนิยกรรมนี้ก็มีอสองภาคคือทั้งฝ่ายอกุศลและฝ่ายกุศลเรียกว่าทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็ในธํรนองเดียวกันแล้วก็มาในข้อที่สี่ก็คืออโหสิกรรมอโหสิกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลสำเร็จแล้วเป็นกรรมที่ล่วงคราวแล้วก็เลิกให้ผลเปรียบเหมือน พืชที่สิ้นยางแล้วเพราะไม่ขึ้นหมายถึงเมล็ดพืชทุกชนิดเนี่ยที่มันขึ้นเนีเพราะมันมียางเนะี่ยยางนี่แหละเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่ทําให้ให้มีชีวิตขึ้นนะให้เกิดขึ้นทั้งหมดยางแล้วก็ไม่เกิดขึ้นแล้วนะไม่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องทั้งสี่อย่างนี้ตั้งแต่ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมก็ดีอุปัชเวทนิยกรรมก็ดีปรารา อภรรยาประเวทนียกรรมก็ดีอโหสิกรรมก็ดีเป็นกรรมให้ผลตามคราวเป็นคราวๆไปอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างทีนี้มาในหมวดที่สองกรรมให้ผลตามกิจกรรมให้ผลตามกิจก็มีชนะกรรมเป็นข้อที่ห้าต่อจากคราวต่อจากกรรมให้ผลตามคราวชนะกรรมแล้วก็ข้อหกอุปถรมภกกกรรมข้อเจ็ดอุปปีลกกรรมข้อแปดอุปคาตกรรม อุปาค า, า ก, กรรมทีนี้มาดูในข้อแรกว่าชนะ ก, กรรมคือกรรมแต่งให้เกิดให้คำว่าตามกรรมที่แต่งให้เกิดอันนี้ก็หมายความว่าสามารถยังผู้ทำผู้เคลื่อนจากภพหนึ่งแล้วให้ถือปฏิสนธิในภพอื่นท่านจึงเรียกว่าชนะ ก, กรรมเปรียบด้วยบิดาผู้ยังบุตรให้เกิดได้แก่กรร ม, มโยนิกรรมเป็นกาเนิด ในที่อื่นต่อนั้นไปเส้นหน้าที่นะหมดหน้าที่แล้วจริงๆว่าทําให้เกิดหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากุศลและกุศลที่นําปริสนธิให้บังเกิดในชาติหนึ่งหรือสองชาติมิได้ให้ผลใน อ, อในการนะในการคือหมายถึงว่าเบื้องหน้าแต่ปริสนธิหาได้อํานวยผลไม่เฉพาะอํานวยแต่ในปริสนธิเท่านั้นนะ ไปสนธิเท่านั้นหมายถึงว่าแต่งจะพื่ให้เกิดแค่นั้นนะต่อจากนั้นไปก็อีกเรื่องหนึ่งกรรมที่ให้ผลเช่นนี้เรียกว่าชนะกรรมนะเรียกว่าชนะกกรรมคือกรรมที่แต่งให้เกิดนะมาในพยาสนิฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากุศนและก็สลที่ให้ผลในการเป็นเบื้องหน้าแต่ไปสนธินั้นเป็นกรรมสิ่งอื่นจะให้ผลเป็นชนะกรรมหามีได้ ชนะ ก, กรรมนี้ท่านเปรียบเหมือนกับมารดาเป็นที่เกิดของบุตรธรรมดาว่ามารดานี้เป็นผู้ให้เกิดเท่านั้นการที่เลี้ยงดูพิทักษรักษานั้นเป็นพนักงานของแม่นมแม่นมเป็นผู้ประถมสำนุกบำรุงเลี้ยงดูซึ่งทารกชั้นใดชนะ ก, กรรมก็นำไิสนทิแต่ลำพังตนกรรมอื่นจะได้ไปสนทิเป็นสองไปสนทิขณะนั้นไม่มีเลยที้มาในในที่สองนี้ก็คืออุปธ ร, รมภกกรรม คือกรรมสนับสนุนกรรมสนับสนุนก็หมายความว่าไม่อาจแต่งโดยสนธิได้เองนะต่อเมื่อชนะ ก, กรรมแต่งโดยสนธิแล้วจึงเท่าสนับสนุนส่งเสริมเปรียบเหมือนแม่นมผู้เลี้ยงทารกอันคนอื่นให้เกิดแล้วท่านจึงเรียกว่าอุปธรรมกรรมได้แก่กรรมพันธุนกรรมเป็นพวกพ้องในที่อื่นกรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับชนะ ก, กรรม เป็นเหมือนกับชนะ ก, กรรมถ้าชนะ ก, กรรมเป็นกุศลแต่งเอเป็นกุศลแต่งไปสนทิข้างดีอุปธรรมก้ากรรมก็ย่อมเข้าสนับสนุนทารกผู้เกิดแล้วให้ได้สุขได้รับความเจริญรุ่งเรืองจนถึงที่สุดอืม เ, อเข้าในลักษณะว่าโชติโชติปราชาโนรุ่งเรืองมาแล้วก็รุ่งเรืองต่อไปข้างหน้าถ้าชนะ ก, กรรมเป็นอกุศลแต่งไปสนทิข้างเลวอุปธรรมพักรรมก็ย่อมซ้ำเติมเมื่อเกิดแล้วก็ ให้ถึงความหายนะเข้าในลักษณะว่าตะโมตมปรายโนมืดมาแล้วก็มืดไปข้างหน้าจะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าชนะกรรมได้แก่กรรมเป็นเดิมอุปทฐนอุปัฏฐำพักกรรมก็ได้แก่กรรมที่ทำเพิ่มพูนหรือว่าซ้ำเติมก็ไม่ผิดนะไม่ผิดฉะนั้นกรรมอันใดเป็นกรรมอุดหนุนซึ่งกรรมอันให้ผลอยู่นั้นกรรมนั้นก็ชื่อว่าอุปัฏฐพักกรรม นะก็มีอยู่สองเหมือนกันคืออุปธรรมปรกากรรมฝ่ายกุศลแล้วก็ฝ่ายอกุศลนะทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทีนี้มาในข้อที่เจ็ดก็คืออุป ป, ปีละกระกรรมอุป ป, ปีละกระกรรมอุป ป, ปีละกระกรรมก็หมายถึงกรรมบีบขั้นนะเป็นกรรมบีบขั้นอันนี้ก็หมายความว่ากรรมนี้เป็นเหมือนกับชนะกรรม เหมือนกันเสมอเหมือนกันคือเมื่อชนะ ก, กรรมแต่งบริสนทธิแล้วเข้าบีบคั้นผลแห่งชนะ ก, กรรมไม่ให้ไม่ให้ผลเส็จเต็มที่หรือไม่ให้เจริญรุ่งเรืองเต็มที่ถ้าชนะ ก, กรรมเป็นกุศลแต่งบริสนทธิที่ข้างดีกรรมนี้ก็เข้าบีบคั้นให้อ่อนแรงลงนะให้อ่อนแรงลงเข้าในลักษณะที่ว่าโชติโ ช, โชติตมะรปารายโนรุ่งเรืองมาแล้วก็ มืดไปข้างหน้าคือทีแรกทำท่าว่าจะดีแต่ต่อไปข้างหน้ากลับแย่ลงซุดลงถ้าชนะ ก, ก, กรรมเป็นกุศลแต่งไบสนธิข้างเลวกรรมนี้ก็เข้ากีดกันให้ทุเลาขึ้นให้ทุเลาขึ้นในลักษณะที่ว่าตะโมโชติปลายโนมืดมาแล้วก็มีอันรุ่งเรืองไปข้างหน้าอันนี้หมายความว่าทีแรกก็รู้สึกว่าจะแย่ดูท่าทางจะไปไม่รอด แต่พอมาภายหลังกลับรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขึ้นน ะ, จะเจริญก้าวหน้าขึ้นนี่เรียกว่าถ้ามันตรงกันข้ามถ้าดีมาเบื้องแรกก็จะแย่ลงในเบื้องปลายถ้าแย่ลงในในเบื้องแรกก็จะดีลงในเบื้องปลายนี่มันกลับกันดันอุปปิระกกรรมนี้ก็เป็นกรรมที่เบียดเบียนผลแห่งกรรมอื่นนะเบียดเบียนแห่งกรรมอื่นในเมื่อในการเมื่อกรรมอื่นให้ไปสนธิหรือให้ผลอยู่ อุปปีและ ก, ะกรรมก็ติดตามทันแล้วก็เบียดเบียนเสียซึ่งสุขและทุกข์มิให้สุขและทุกข์ที่เกิดอยู่นั้นดำรงคงอยู่สิ้นกาลนานได้ย่อมให้อันตรธานเสียไปโดยเร็วทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วนะเป็นไปทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วนี่นี่เป็นเรื่องของอุปปีและกระก ร, รมทีนี้ก็มาในข้อต่อไปก็คือว่าอุปคาตกรรม อุปคาตกรรมพูดอีกอย่างหนึ่งเรียกอย่างหนึ่งว่าอุปเฉทกกรรมนะอุปเฉทกกรรมอุปเฉเกกรรมแปลว่ากรรมที่เข้าไปตัดนะกรรมที่เข้าไปตัดรอนนะพูดง่ายๆในที่บางแห่งท่านแสดงไว้ในคัมภีรวิสุทธิมรรคภาคสามเรียกว่าอุปคาตกรรมแปลว่ากรรมตัดรอนหรือกรรมผู้เข้าไปฆ่าเสียอันนี้ท่านอธิบายว่าอุปปีและกรรมดังแสดงมาแล้วก็ดี อุปาคาตากรรมก็ดีอุปปัเฉทกรรมก็ดีว่าโดยเนื้อความแล้วก็เหมือนกันกริยาที่ให้ผลนั้นก็เหมือนกันต่างกันแต่บาลีคืออุป ป, ปีละกรรมแปลว่าเบียดเบียนอุปปัเฉทกรรมแปลว่าตัดอุปคาากรรมแปลว่าฆ่าแปลว่าฆ่างนั้นอันนี้แหละก็คิดว่าพอเป็นแนวทางให้กับนักเรียนนักศึกษาพอจะทาความเข้าใจได้ พอจะทำความเข้าใจได้เกี่ยวกับเรื่องอุปคาตกกรรมนะอุปคาตากกรร ม, รกกรรมคืออุปคาตากกรรมนั้นตัดรอนผลแห่งกรรมอื่นแล้วก็ให้ผลแทนที่ทีเดียวพูดสั้นๆว่า อ, อุปปีและกรรมคอยทวงผลของกรรมอื่นอุปคาตากกรรมเข้าตัดผลของกรรมอื่นกรรมทั้งสองนี้มีหน้าที่คล้ายกันต่างกันแต่ทวงและตัด และตัดรอนดังกล่าวดังกล่าวฉะนั้นอุปคาตากกรรมหรืออุปเฉตกกรรมนี้จึงแบ่งออกเป็นสองทงฝ่ายกุศลและอกุศลเช่นเดียวกับกรรมอื่นๆที น, นี้ก็มาในหมวดที่สามหมวดที่สามก็คือกรรมให้ผลตามลำดับ ก, ก็คือคารุกรรมกรรมกรรมหนักสิทธิ์ผลละกรรมกรรมที่ทำจนเคยชิน ข้อสิบเอ็ดอาสันนกรรมกรรมเมื่อจ่วนเจียนข้อสิบสองกัตตตากรรมกรรมศักแต่ว่าทํามนะกรรมศักแต่ว่าทําในข้อแรกที่บอกว่ากรรมให้ผลตามลําดับคือครุกรรมที่แปลว่ากรรมหนักกรรมหนักนี้ก็เป็นฝ่ายอกุศลอและฝ่ายกุศลก็มีฝ่ายอกุศลได้แก่อันนันจริยกรรมฝ่ายกุศลก็ได้แก่สมาบัตแปดนะ ในการให้ผลคุรกรรมนี้ย่อมให้ผลก่อนกรรมอื่นใดทั้งสิ้นเปรียบเหมือนคนอยู่บนที่สูงเอาชิ้นอวัตถุต่างๆเช่นเหล็กสิลากระเบื้องทิ้งลงมาสิ่งใดหนักที่สุดก็ย่อมตกถึงพื้นก่อนสิ่งอื่นๆย่อมตกถึงพื้นโดยลําดับกันคุรกรรมนี้เป็นกรรมอคุรุกรรมนี้ย่อมให้ปฏิสนธิกล่าวคือคุรุกรรมฝ่ายอากุศลก็ชักให้บุคคลไปเกิดในทุกติ ครูกรรมฝ่ายกุศลก็ชักให้ไปเกิดในสุคตินะไปเกิดในสุคติอ่าเรียกว่าหนักมากนะเป็นกรามที่หนักมากมาในข้อที่สิบพระหุลกกรรรมนะพระหุลกกรรมเรียกว่ากรรมที่ทําเคยชินอกรรมอันใดที่บุคคลกระทําได้มากกระทาอยู่บ่อยๆทาอยู่เนืองๆกรรมอันนั้นเรียกว่าพรหุลกกรรรมนะพาหุลกรรมหรือพาหุลกรรมน่ะ บางทีก็เรียกกรรมนี้ว่าอาจินตกรรมเอ่าคือกรรมที่สั่งสมมาประพฤติมาเรื่อยๆเป็นลําดับไปประพฤติมาถึางนิดเดียวหน่อยประพฤติบ่อยๆเขมันก็มากอันนี้หมายความว่าเมื่อครุ ก, กรรมไม่มีนะเมื่อครุ ก, กรรมไม่มีย่อมให้ผลก่อนกรรมอย่างอื่นท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนอ่าคนตัํากันคนใดมีแรงกว่าว่องไวกว่าคนนั้นก็ย่อมชนะฉะนั้นกรรมนี้ก็แยกออกเป็นสองเหมือนกัน ก็คือพหุลกรรมฝ่ายอากุศลคือฝ่ายชั่วและพะหุลกรรมฝ่ายกุศลก็คือฝ่ายดีนะฝ่ายดีเหมือนกับนายจุนทะที่ข่าหมูเลี้ยงอาชีพมาเป็นเวลานานปีจนถึงวันหนึ่งอกุศลกรรมก็ตามทันให้ผลเข้าเขาไม่สบายร้องเสียงลั่นภายในบ้านเหมือนเสียงหมูคลานไปคลานมาภายในบ้านนั้นผลที่สุดก็ตายเนี่นี่เป็นเป็นพหุลกรรมฝ่ายอากุศล ในฝ่ายดีก็ยังกระเรื่องอุบาสิกาคนหนึ่งนะเป็นเสือกเท้าเหล่ากของอนาถบินิกะเศรษฐีนะเรียกว่าการร่วงไปสังขารก็ร่วงโรยต่อไปเหลือแต่นางกุมารีผู้เดียวแต่เป็นผู้ที่ยากจนขัดสนเข็นใจถึงกันนั้นนางก็ยังมีศรัทธาถวายสละกภพัดแก่พิสุวันละรูปละรูปทุกวัน ภายหลังนางยากจนจนไม่มีสิ่งใดที่ถวายสลักพัทจึงไปยังโรงยังโรรุวานครนไปยังโรรุวานครแล้วก็รับจ้างเขาทำงานเข้ากล้าเกี่ยวกับเรื่องเข้ากล้าทำนาเพื่อจะได้ซักมาจัดหาถวายสลักพัทโดยเหตุอันนี้เนี่ยจึงทำให้นางนั้ น, นเกิด บุญเกิดกุศลที่ช่วยเหลือทําให้นางเมื่ออแตกตายทําลายขันไปแล้วก็ได้ไปอจุติในสุคติเพราะนี่เป็นกรรมในฝ่ายดีนี่เป็นพหุลกรรมในฝ่ายดีฝ่ายกุศลฝ่ายกุศลทีนี้มาในข้อสิบเอ็ดก็คืออาสันนกรรมอาสันนกรรมนี่หมายถึงว่าอากรรมเมื่อจวนเจียนกนะรรมเมื่อจวนเจียนก็ได้แก่กรรมที่ทําเมื่อใกล้าตาย คือหมายความว่าเมื่อพระหุละกะกรรมนะเมื่อพหุลกเมื่อพรหุ ล, ะ ก, ะรหลกรรมไม่มีคือผู้ทาไม่ได้ทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไว้จนชินจนถึง อ, ออกชื่อเรื่องหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นกรรมนี้แม้จะอ่อนแรงลงอย่างไรก็ตามย่อมให้ผลท่านเปรียบไว้เหมือนกับโคอันแออัดอยู่ในคอกพอนายโคบานหรือว่าเจ้าของเปิดประตูออก โคตัวใดที่อยู่ริมประตูคอกแม้เป็นโคแก่ก็ย่อมออกได้ก่อนโคอยู่อถัด เ, เข้าไปภายในแม้จะแข็งแรงท่านก็เปรียบไว้ว่าก็ออกทีหลังเนอันนี้เขาเราฟังดูแล้วก็เข้าใจง่าย อ, าอีกอย่างหนึ่งก็หมายความว่าจัญญาของอผู้ตายจากไปก่อนนะหมายถึงว่ า, าย่อมจับใจของ หมายกิยาอาการของผู้ตายไปก่อนก็ย่อมจับใจของผู้ที่อยู่ข้างหลังมากกว่าในข่าวก่อนๆที่อไม่โลดผลนักไม่กินในเวลานี้ทําดีไว้ก็อะไรมากอาทําเสียไว้ก็มีความอาวิปฏิสารมากก็หมายถึงว่าเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมากนะทีนี้มาในข้อที่สิบสองก็คือกระตัดตา ก, กรรมนะเรียกว่ากรรมสัจแต่ว่าทําในกรรมสัจแต่ว่าทําก็คือได้แก่กุศลและกุศล คือหมายถึงว่าที่มีได้ทั้งคุรกรรมมิได้เป็นปหุลกรรมและมี่ได้เป็นอาสนกรรมทั้งผู้กระทํากรรมนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นบุญเป็นบาปกระทําด้วยไม่รู้สักแต่ว่าทาลงไปกระตัตตกรรมนี้มิได้กําหนดว่าจะให้ผลเมื่อไรท่านอุปมาไว้ว่าเปรียบเหมือนลูกศรที่คนบ้ายิงเพราะไม่มีความมุ่งหมายสักแต่ว่ายิงไปอย่างนั้นอเองท่นเอง กตัตกรรมนี้ถ้าไม่มีครุกรรมไม่มีพผุลกรรมไม่มีอาสนกรรมกตัตกรรมนี้ถ้าไม่มีครุกรรมไม่มีผุญลกรรมไม่มีอาสนกรรมแล้วจึงจะให้ผลตามอํานาจแห่งตนจึงจะให้ผลตามอํานาจของตนอพูดง่ายๆก็คือว่าอาสนกรรมนี้เมื่อถึงวาระ จึงจะให้ผลนถึงวาระ จ, จะมีให้ผลก็เหมือนว่าที่ยันที่กล่าวแล้วลูกสรที่คนบ้ายิงไปคนบ้าที่ยิงนั้นไม่มีจุดหมายสักแต่ว่ายิงไปอย่างนั้นเองนแต่ก็ไม่ได้มีผลมากมายอะไรนักนไม่ได้มีผลมากมายอะไรนักอ่านี่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมสิบสองเป็นเรื่องของกรรมสิบสองซึ่งก็มีอยู่สิบสองมีอยู่สามหมวดหมวดหนึ่งเรียกว่า ให้ผลตามคราวหม ว, ห, าามนะหมวดที่สองให้ผลตามกิจนะหมวดที่สองให้ผลตามกิจหมวดที่สามให้ผลตามลําดับนะก็คิดว่าพอเป็นแนวทางย่อยๆอสําหรับนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายพอจะจับเอาไปเป็นแนวทางในการศึกษาเรื่าเรียนและปฏิบัติได้อส่วนรายละเอียดนั้นก็คิดว่าท่านผู้ฟังก็อาจจะได้ศึกษาแล้วก็ได้ยินได้ฟังมามากก็พอจะเอามาส่งเคราะห์เข้ากันได้ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันฉะนั้นถ้าจะตั้งเป็นคําถามว่าอากรรมที่สองเป็นกุศลหรืออกุศลที่ท่านจัดไว้เป็นหมวดหมวดนั้นอ่านโดยถืออะไรเป็นนิมิตหมายและกรรมนั้นๆให้ผลต่างกันอย่างไรอันนี้เราก็แก้ว่าเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลที่ท่านจัดไว้เป็นหมวดหมวดนั้นโดยถือเอาอาการให้ผลของกรรมนั้นๆเป็นเครื่องหมาย ให้ผลต่างกันคือหมวดที่หนึ่งให้ผลตามคราวหมวดที่สองให้ผลตามกิจหมวดที่สามให้ผลตามลำดับหรือถ้าจะถามว่าคําว่ากรรมเป็น เ, เป็นสภาคะหรือว่าเป็นสภานะั้นน่ะและก็เป็นวิสภาค น, ะนั้นหมายความอย่างหมายความต่างกันอย่างไรกรรมไหนบ้างที่เป็นสภาคะและวิสภาคะของกันและกัน อันนี้เราก็แก้ว่าหมายความว่าต่างกันอย่างนี้คาว่ากรรมเป็นสภาคะก็หมายความว่ามีลักษณะอย่างเดียวกันคือคล้ายคลึงกันเน่เข้ากันได้คำว่าวิสภาคะก็หมายความว่ามีลักษณะตรงกันข้ามคือเป็นค่าสึกต่อกันช น, นกะกักรรมและอุปถัมภกะกรรมเป็นสภาคะของกันและกันอุป ป, รปีรักะกรรมและอุปคาตกรรม อุปาคาต ก, กรรมเป็นสภาคะของกันและกันและเป็นวิสภาคะของชนะกักรรมและอุปถัมภกกรรมถ้ายังมีคําถามว่าการบัญญัติกรรมเนื่องมาจากอะไรที่ท่านจําแนกออกเป็นสิบสองอย่างนั้นเพื่ออะไรเข้าใจว่าเข้าใจทั่วถึงและคํานึงโดยชอบรอบครอบอยู่เสมอแล้วมีประโยชน์อย่างไรอันนี้เราก็แก้ว่าเนื่องมาจากถือว่าผลย่อม เนื่องมาจากเหตุซึ่งเพ่งเฉพาะเหตุภายในคือกรรมเช่นได้ดีเพราะทําดีได้ชั่วเพราะทําชั่วเป็นต้นเพื่อจะห้ามความเห็นสับปรับเรื่องกรรมหรือเห็นความวิปริตผิดไปเรื่องกรรมของคนเราเช่นเห็นว่าอ่าทําำเราทําไปแล้วไม่ให้ผลจริงเอหรือว่าทําดีแล้วไม่ได้ความดีทําชั่วแล้วไม่ได้ความชั่วในทํานองนี้เป็นต้นเป็นอันว่า ผิดไปนั้นมีประโยชน์ก็คือว่าจะได้มันอยู่ในกรรมสักกตาศัทธาคือเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนประพฤติอยู่ในทํานองครองธทำที่ถูกที่ควรทั้งจะได้ไม่ประพฤติในในกรรมที่เรียกว่าอกริยทิฏฐิคือความเห็นว่าไม่เป็นอันธรทำนะหมายถึงว่าเห็นว่าทําดีทําชั่วเห็นว่าทําดีไม่มีคน ยกย่องชมเชยก็ไม่ใช่ว่าเป็นการทําดีทําชั่วไม่มีคนติดกินินทาไม่ถูกจองจําก็ไม่ทาชั่วอันนี้ผิดไปหรือจะมีคําถามว่าอาสิ่งที่ทําลงพร้อมด้วยเจตนาจัดว่าเป็นกรรมไม่ใช่หรือถ้าเช่นนั้นกตัตตากรรมจะจัดว่าเป็นกรรมอย่างไรเพราะทําด้วยอไม่จงใจและจะให้ผลเหนือกรรมอื่นหรือไม่อันนี้เราก็บอกว่าถูกแล้วสิ่งที่ทําลงพร้อมด้วยเจตนาจัดว่าเป็นกรรม แต่กระตับตา ก, กรรมที่ว่าทําด้วยไม่จงใจนั้นน่าจะมีเจตนาเหมือนกันแต่เป็นเจตนาที่ไม่แรงเต็มที่เช่นมีเจตนาเพียงเพื่อจะเคี่ยนเขาแต่เขาถูกเขี่ยนแล้วก็เกิดตายดังนี้เป็นต้นท่านในกฎหมายก็จัดว่าการฆ่าคนโดยไม่มีเจตนาก็วางโทษเบากว่าฆ่าโดยจงใจเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิบสองมาก็พอสมควรกับเวลา ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร